ใครมาก่อนทีมไหนมาก่อนจอย เ, ออเป็นไงจอยคื อ, เ, อเมื่อคืนนะคะจะนอนไม่หลับใช่ไหะแล้วก็รู้สึกมันฟุง้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็เลยอ่านหนังสือหลวงพ่อพออ่านไปมันก็สงบพอสงบเธอก็เลยตามดูไปคราวนี้มันตามดูมันก็ละเอียดขึ้นห่แล้วมันก็ตามเหมือนแบบรถมันวิ่งเร็วอะแล้วเธอก็ตามเร็วมันก็เหนื่อยพับนึงแล้วก็กลับมาอ่าน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 มองแบบภาพรวมเหมืนเรามองจากที่สูงแสดงว่าจะลงหรือเกินไปใช่ไหมครับต้องผอนขึ้นมาตามตามไปดูใกล้ไปดูห่างๆเหมือนเราต้องอยู่บนภูเขาทองอะไรเงี้ยดูลงมารุ่นหลวเพ้าภูเขาทองสูงนะรุ่นนี้อาจจะต้องไปขึ้นตึกอะไรดูลงมาแล้วก็ช่วงว่าช้าเองก็รู้สึกว่ามันกลัวความปิด่ยนมันกลัวความบังคับไม่ได้เพราะมันเริ่มรู้สึกว่า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 อยากให้มีความสุขอยากให้มันดีน ะ, ะก็บิดเลยทั้งบิดทั้งเค้นกราบใดที่ยังหยิบเวยอยู่ก็จะบิดบิดเค้นเ้นไปเรื่อยต้องเข้าถึงทรสามครั้งก็จะหยิบขึ้นมาเอามาดูนิดนิดหน่อยๆอไม่บิดไม่เค้นนะเอามาหยิบๆ ย, ยิบแยังวางเดี๋ยวก็หยิบอีกถ้าเข้าถึงทำสกครั้งที่สี่แล้วก็จะทิ้งไม่หยิบมาอีกตรงนี้เข้าใจยัเห็นไหมเห็นตรงที่จิตไปหยิบมาไหม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 แต่ใจเนี่ยไม่ไปหยิบฉวยไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาสิ่งที่หยิบฉวยก็คือจิตนั่นแหละจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาสังเกตไหมมันไม่ได้ไปหยิบฉวยกายใชนะ่มันหยิบฉวยจิตหยิบฉวยจิตแล้วก็มาเค้น <c oughs> เค้นเค้ น, คนก็ทุกข์พารู้ทันตัณหาตัดต้นทางมันก็ไม่เค้นหยิบเฉยๆฉยแต่ไม่เค้นถ้าเผลอเราเค้นอีก งั้นบันไดาสามารถวางความยึดถือจิตลงไปแล้วนั่นแหละถึงจะหมดภาระหมดความทุกข์ละก็เหลือแต่ความทุกข์ของขันล้ว น, ลวนเลยตอนนี้การปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราชอบไปวาดภาพให้มันเกินจริงแค่เรามีสติเรารู้ทันการทำงานของกายของใจโดยเฉพาะของใจกายมันเคลื่อนไปได้ก็เพราะใจมันสั่งนั่นแหละ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 บางทีมันยืนคุยกันนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวไปจับไปนึกว่าจับได้แล้วหยุดได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกนี่ก็วิง่งไล่จับหญิงโง่นะศา ส, สนาพุทธเราเรียนย้อนเข้ามาหาต้นต่อของมันต้นต่อของความปรุงแต่งอยู่ที่จิตเองวันหนึ่งรู้ทันต้นต่อของมันนะ ค, ค่เอามือไปปิด้ดตรงที่มันฉายไฟออกมาภาพในจอหนังก็หายไปไม่หลงออกไปข้างนอกแล้ว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 เดี๋ยวเป็นงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ๆออกลูกออกหลานได้อีกเยอะแยะนั้นเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งทําลายเมล็ดพันธุ์คืออาวิชาลงไปทําลายเชื้อพันธุ์ของมันเป็นเมล็ดที่ไม่งอกอีกมันก็ยังทรงรูปของเมล็ดที่ไม่งอกไปอีกช่วงหนึ่งต่อไปก็แตกสลายหายไปในการปฏิบัติมีความสุขอยู่ข้างหน้ามากมายเรามมดแต่แตะครุบเงานะอย่าลงนะเสียเวลาไม่ฉลาดเลย ความสุขที่เป็นภาพดวงตาพระเจ้าขันเหมือนเป็นภาพดวงตาเหมือนพยับแดดพยับแดดอย่างเราขับรถไปก็มองเห็นไกลๆนลยเห็นเหมือนเป็นน้ำมั้งเห็นเหมือนไอ้น้ำเต้นยิบยับยิบยั บ, ยบเข้าใกล้ๆแล้วหายไปหมดความสุขก็ล่อเราอย่างงั้นะให้วิ่งไปพอเข้าไปใกล้ ๆ, ๆนะก็าหายไปแล้วไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้ว แเ้าก็วนเวียนนะน่าสงสารมากถ้ายัางวนเวียนอยู่ก็ยังไม่รู้สึกน่าสงสารหรอกแต่รู้สึกว่าบางครั้งก็อร่อยอร่อยสนุกบางครั้งก็เศร้าโศกบางครั้งก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุข <c oughs> เดี๋ยวก็ทุกข์เวียนอยู่งั้นก็ยังพอนทนรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไม่ใช่เราทุกคนเดียวใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนๆกันหมดทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่จะพ้นไปจาก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 อยนี้เห็นคนไปแต่งหนังสือนะไอ้นอนเ์มดูข่าวนักการเมืองเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าอยากจะดูเป็นสมุไทยเลยโอ้ไปกันใหญ่นะทำลายธรรมะแท้ๆลงไปงั้นเรียนเข้ามานะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจคนเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจะปฏิบัติสั้นๆทำไงให้มันไม่ส่งขีดออกนอกอย่าไปจับเงาในเครื่องฉายหนัง แล้วก็มาดูจิตท่าให้ดูจิตจะดูจิตดูใจวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อนะแต่ ก, ก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเจ็ดเดือนท่านก็ชมละพึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาหาท่านแล้วก็ได้ไปได้ด้วยตัวเองใช่ไหมเนี่ยแต่เราก็ไปนะเรักท่านเรารบท่านถึงเวลาก็ไปหา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 ต่อมาเราก็รู้ทันจิตที่วันไหวยินดียินร้ายอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปอีกชั้นหนึงทีแรกมันรู้สภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันลงไปพอจิตหมดจากความยินดียินร้ายไม่ใช่ไปเพ่งให้หมดนะให้รู้เฉยๆมันจะดับเองความยินดียินร้ายมันเกิดจากการที่เราไปคิดให้ค่าว่าไอ้นี้ดีอ้นี้ไม่ดีมันเลยยินดียินร้ายขึ้นมา ถ้าเราไปรู้ความยินดียินร้ายโดยเราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้ให้ค่าอะไรเพริ่มนะความยินดีนร้ายจะดับไปโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีต้นเหตุคือเราไม่ได้คิดปลุกไปความมีดีร้ายก็ดับใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเสมอภาคกันให้เกิดแล้วดับไม่ใช่เป็นกลางกับกิเลสอย่างเดียวเป็นกลางกับกุศลด้วยอใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจจะเข้าถึงธรรม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 คนแต่เดิมไม่เคยโกหกเวลาจะโกหกทีหนึ่งใจสั่นนิดๆมือเท้าเย็นหน้าแดงแล้วโกหกบ่บยอยๆเฉยๆนะเฉยๆพูดไปเรื่อยๆเฉยๆเราชินงั้กิเลสจะยิ่งมีกําลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นงั้นอย่าไปให้อาหารมันตัดอาหารมันเสียตัดอาหารมันมีศีลให้ดีๆรักษาศีลไว้ให้ดีไม่ตับสนองกิเลส แล้วก็ใครตามรู้คอยตามดูเรียนรู้มันไปเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยกิเลสก็ส่วนกิเลสสีจิตก็ส่วนจิตสีโคลาอนกันกิเลสก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแมงมุมฉับใหญ่ขึ้นมาแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงําจิตแมงมุมไปติดใหญ่ตายแล้วจิตมันได้ไปปรุงขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมานะแล้วกิเลสก็กลับมามีอิทธิพลครอบงําจิตต่อไปกิเลสก็มีกําลังกล้ามากขึ้นมากขึ้น คราวนี้บงการจิตได้ทั้งวันแนละ้วเพราะฉะนั้นสู้กับกิเลสถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายนะสู้กันด้วยถึงเลือดถึงเนื้อเลยถ้าอ่อนแอทอดแท้ถดถอยไม่เลยนะถอยไกลนะถอยไกลไม่ใช่ถอยทีหนึ่งเก้าสองเก้านะถอยกันเป็นชาติชาตินะถ้าอย่างในคัมภี์ก็จะถอยกลางละห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติที่ถอยนานมากเลย อย่างพระนนทสมัยก่อนจะเป็นพระนนไปทําบุญมาแล้วขอให้มีรูปงามขอให้หลอ่อมีชาติหนึ่งเกิดมาหล่อเฟี้ยวเลยอันนี้ก็ไปทําผิดศีลกระพฤตผิดในกามท่านบอกท่านตายจากชาตินั้นท่านเบียนอยู่ในนรกเนิ่นนานนี่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วท่านไปเบียนอยู่ในนรกนาน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 เจ้าของลาคาญนะั้นเลยจับตอนไปนี่ท่านบอกท่านถูกตอนอยู่ห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติหมายถึงถูกตอนแล้วตอนอีกอยู่นะั่นซ้ําแล้ว ซ, ซ้ําอีกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นคนนะเป็นคนที่ไม่สมประกอบอผิดปกติทางเพศท่านบอกเป็นอยู่อย่างนี้อีกนานกว่าจะสมประกอบคืนขึ้นมาได้ดูสิทําผิดชั่ววูบเท่านั้นนะเวียนอยู่นับเวลานี่นับไม่ถูกเลย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 จะได้ถวายวัดกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งละเสรษฐีมันก็ได้ผลดีไปนะแต่นั้นเป็นเปรตอยู่ช้านานตลอดพุทธันดอนหนึ่งช่วงที่เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าตกนรกอยู่นานนะแล้วก็ขึ้นมาเปรตเป็นเปรตอีกเป็นพุทธันดอนความผิดชั่ววูบให้ผลยาวนะเราอย่าประมาทเราเดินอยู่บนขอบเหิวแท้ๆเลย เมือเราไต่ลวดอยู่บนขอบผิวนะไม่ใช่เดินอยู่บนพื้นเรียบๆนะเป็นไต่เชือกไต่อะไรอยู่พลาดพลั้งไม่ได้นะต้องสู้นะมีคนหนึ่งเคยรู้จักกันก็เคยพลาดครั้งเคยบวชเป็นพระเป็นพระแล้วก็ถือสีธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเพราะว่าสมัยโน้นไม่มีการเรียนปริยัตหรือปฏิบัติอะไรเลย บวชกันตามประเพณีไปงันน้นวันวันอยู่ไปเรื่อยๆนะตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นวัวไปใช้หนี้ชาวบ้านเขานะแต่ว่าไม่ได้ทํากรรมชั่ว อ, อะไรนะเป็นลูกวัวชาวบ้านก็เอามาปล่อยไว้ในวัดมาถวายวัด ก, กลับมาอยู่วัดเก่านั่นแหละที่เคยเป็นพระนะ <c oughs> ประมาทไม่ได้เลยนะทางสารวัดเนี่ยพลาดแว บ, บเดียวนะไปยาวมากเลยเหมือนเราไตา่ภูเขาอ่ะ เราพลาดตกเหวลงมานะไม่ใช่ง่ายที่จะขึ้นไปทุรักทุกกเล น, นะต้องเข้มแข็งนะสู้แต่กิเลสถอยไม่ได้แต่สู้ต้องมีสติปัญญาเหมือนเราไต่เขาต้องมีสติปัญญาไม่ไต่โง่งๆขึ้นไปนะตอนนี้เหนื่อยแล้วหยุดพักหาชะงอนหินพักก่อนมีเรี่ยวมีแรงป้อยไต่ใหม่เราภาวนาไปช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วทำสมถะทำความสงบสงบแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้ว มาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจอีกกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยไม่ท้อถอยนะจะยากลำบากแค่ไหนก็อถอยไม่ได้นะเป็นโอกาสดีมากๆของพวกเราแล้วที่ได้เจอศาสนาพุทธนะถ้าระลึกชาติได้จะรู้เลยชาติใดที่ไม่รู้จกักศาสนาพุทธนะจิตใจจะวังเวงที่สุดเลยใช้คำว่าวางเวงนะมันรู้สึกอย่างนั้นถามว่าจิตใจชั่วไหมไม่ชั่วเพราะเคยทาทานเคยถือศีลอะไรเนียน้ย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 กว่จะได้เป็นมนุษย์ยากนะอย่างในวัดในวาเนี่ยมนุษย์น้อยนะอ่ามนุษย์เยอะนะนั่นกว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะได้เจอาศาสนาพุทธยากนะยากมากเจอแล้วกว่าเราจะมีศรัทธาที่จะเข้ามานั่งฟังธรรมนี่ยากมากเลยโลกงู่เทศเคยคุยให้หลวงพ่อฟังว่าคนในโลกมีกี่พันล้านนะ่ะตอนนั้นบอกมีสี่พันล้านอยู่นี้เท่าไหร่ไม่รู้นะ น, นานแนละ้ว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 คนเข้าวัดร้อยคนจะภาวนาสักคนสองคนก็ยากพวกเรานี้ถือว่าส่วนน้อยมากเลยอนยะูในเมืองไทยคนตั้งหลายสิบล้านสนใจศึกษาธรรมะจริงๆสักเท่าไหร่กันศึกษาตามแฟชั่นอะเยอะถึงยุคนี้คนชอบปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติเป็นแฟชั่นซะเยอะยปฏิบัติที่มุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆไม่มากนี่ท่านยังบอกอีกนะคนที่ปฏิบัติร้อยคนเนี่ยจะเข้าถึงทำแท้แท้สักคนหนึ่งก็ยาก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 ไม่ใช่เรียนเพื่อให้เที <c <c <c ่ยงนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้สุกไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ขันห้าไม่เที่ยงยังไงก็ไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกยังไงก็ต้องเป็นทุกขันห้าเป็นอนัตต่ายังไงก็ต้องเป็นอนัตตาขันห้าของหมาของแมวของปูทุชนหรือขันห้าของพระอรหันต์ก็เป็นไตรลักษ์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรต่างกันต่างกันแต่รูปลักษ์เนื้อแท้ก็เหมือนกันนั่นแหละบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา พระาราหันไม่ใช่คนที่ฝึกจนบังคับขันห้าสำเร็จนะแต่คือคนที่เรียนรู้ขันห้าจนรู้ความจริงของมันแล้วปล่อยวางความยึดถือได้อย่างที่ชมพูเห็นชมพูไปยึดมาคว้าขึ้นมาทุกวันต้องคว้ามาคว้าแล้วก็ขยําขยี้มันอยู่อย่างนี้นถ้าวันใดแจ้งขึ้นมาสิ่งที่คว้าขึ้นมาแล้วนึกว่าของดีของวิเศษจิตใจนี้นึกว่าของดีของวิเศษปัญญาแจ่มแจ้งแทงตลอดนี่ตัวทุกข์นะนตัวทุกข์ล้วน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 เมื่อได้เห็นธรรมที่พ้นจากทุกนะมือนเหมือนโล ก, กาธาตุสะเทือนเลยใจเรานี้สะเทือนมันสะเทือนออกมาจากใจนะั่นเองโลกไม่ได้กระเทือนหรอกมันกระเทือนจากใจเรานี่เอความสุขอะไรมันจะท่วมท้นขึ้นมาได้ขนาด น, นั้นมีความสุขมหาศารจนเหมือนาธาตุขันของมนุษย์จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะแตกสลายเลยงั้นต้องภาวนานนะถอยไม่ได้ถอยแล้วงโง่ ไม่ใช่โง่เฉยๆนะไม่ใช่โง่ห้าร้อยชาติด้วยนะโง่นานโง่นานถอยทีหนึ่งถอยนานมีโอกาสแล้วต้องทำทิ้งโอกาสผ่านไปแล้วก็คือหมดโอกาสย่งหลงพ่อเขียนธรรมะไว้อันหนึ่งนานแล้วนะมาพ้นทางยังมีอยู่ผู้เดินทางก็ยังไม่ขาดสายเนะ่ะให้ลงมือเดินทางซะตั้งแต่วันนี้นะ ก่อนที่เส้นทางนี้หรือร่องรอยรอยเท้าของท่านพวกนี้จะหายไปก็ถึงวันที่เส้นทางนี้หายไปนะจะระหกระเหินอีกนานเลยนานนะไม่ได้พูดเล่นๆ น, นะพูดมาจากความเข้าใจจริงๆเลยใครความจำดีๆจรู้น่ากลัวสังสารวัตรนะความจำดีๆเหมือาจำคมพกคมชัด <c oughs> น่ากลัว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 เรายืมธาตุเหล่านี้มาจากพ่อแม่เป็นจุดตั้งต้นแล้วเราก็อาศัยธาตุของโลกหอเลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนธาตุนี้ให้โลกก็ไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงของกายจะไม่หลงไหลได้พลื่มหรอกนะพอรู้ความจริงของกายวางกายได้เนี่ยจะได้ค่านกขานะมันไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีอะไรละมันรู้ว่าก้อนดินก้อนธาตุ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 มันคนรู้สึกเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยโลกนี้ไร้สาระทั้งโลกเลยความสุขก็ไร้สาระนะความทุกข์ก็ไร้สาระกุศลก็ไร้สาระเพึ่งพาได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปอกุศลก็ไร้สาระนะยิ่งไร้สาระหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเบียดเบียนบั่นทอนทาให้ความทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นนี่สุดใจจะเป็นกลางนะเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระทุกสิ่งทุกชุกอย่าง ยึดถืออะไรไว้ไม่ได้เลยของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจมันจะเลิกดิน้นแทมจะเลิกดิน้นแรกก็เวิงวางกลัวบ้างวังเวงบ้างเบื่อบ้างก็คอยทนดูไปจะเห็นเลยความเบือ่อความกลัวความบังเวงอนะไรนี้ยของชั่วคราวแปลกปลอมเข้ามาเหมือนกับอารมณ์ตัวอื่นๆนั่นเองเพราะมันกะเด็นออกไปจากใจนะใจก็จะตั้งมั่นน เป็นกลางแล้วอนนี้เป็นกลางด้วยปัญญาไม่ดิ้นนะใจจะดิ้นน้อยลงน้อยลงชมพู ร, รู้สึกไหมใจดิ้นน้อยลงเรื่อยๆพอใจหยุดดิ้นนะพอใจหยุดดิ้นปั๊บตรงไปนะอริยามรรคจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าใจเลิกปรุงแต่งพอใจเราเลิกจิตใจเลิกปรุงแต่งจิตใจเเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานเห็นนิพพานครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบัน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 อย่าถอยนะถอยแล้วถอยยาวนะเราต้องเข้มแข็งต้องพึ่งตัวเองให้ได้